สังขารเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณต่อไปนี้เป็นวิทยาในบทสังขารปัจจายาวิญญานังคำว่าวิญญาณได้แก่วิญญาณหกมีจักขูวิญญาณเป็นต้นในวิญญาณหกนั้นจักขูวิญญาณมีสองอย่างคือจักขูวิญญาณที่เป็นกุศลลวิบากและที่เป็นอกุศลลวิบาก โสตะวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณก็อย่างนั้นมโนโวิญญาณมียี่สิบสองคือมโนธาตุสองที่เป็นกุศ ล, ลวิบากและอกุศ ล, ลวิบากมโนโวิญญาณธาตุที่เป็นอเหตุุกกะสามกามาวจระวิปากจิตเป็นสเสหตุกะแปดรูปาวจราจิตห้า อรู ป, ปาวจราจิตสี่ดังนี้จึงเป็นอันรวมวิปากวิญญาณฝ่ายโลกิยะทางวิญญาณหกนี้ทั้งหมดด้วยกันได้ส2สบสองส่วนวิญญาณฝ่ายโลกุตระทั้งหลายใช้ไม่ได้ในกาถาว่าด้วยวัตตะเพราะฉะนั้นจึงไม่ถือเอาในบทว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขาร น, นั้น หากมีคำถามว่าก็ข้อนี้จะพึงทราบได้อย่างไรว่าวิญญาณมีประการดังกล่าวมานี้ย่อมมีเพราะปัจจัยคือสังขารแก่ว่าทราบได้เพราะเมื่อไม่มีกรรมที่ก่อไว้วิบากก็ไม่มีแท้จริงวิญญาณนั่นเป็นวิบากอันวิบากในเมื่อไม่มีกรรมที่ก่อไว้ย่อมไม่เกิดขึ้น ผีว่ามันจะพึงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีอาศัยกรรมไซสวิปากะวิญญาณทุกอย่างก็จะพึงเกิดขึ้นแกสัตว์ทุกจาพวกได้น่ะสิแต่มันไม่เกิดหรอกในเมื่อไม่มีกรรมที่ก่อไว้เพราะเหตุนั้นจึงทราบข้อว่าวิญญาณนี้ย่อมมีเพราะปัจจัยคือสังขาร น, นั้นได้หากมีถามว่า วิญญาณไหนย่อมมีเพราะปัจจัยคือสังขารไหนดังนี้ไซพึงตอบว่าอันดับแรกวิญญาณ16ดวงคือวิญญาณมีจักขูวิญญาณเป็นต้นที่เป็นกุศลระวิบากหมโนธาตุหนึ่งและมโนวิญญาณธาตุสองที่มาในมโนวิญญาณกามาวัาจะระวิปา ก, กวิญญาณ8ปย่อมมี เพราะปัจใจคือปุญญาภิสังขารฝ่ายกามาวจรดังพระบาลีว่าเพราะกรรมที่เป็นกุศลฝ่ายกามาวจรอันบุคคลทําไว้แล้วก่อไว้แล้วจะขู่วิญญาณโสตะวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นมโนธาตุที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้น มโนวิญญาณธาติที่เป็นโสมนัสสารคตจึงเกิดขึ้นมโนวิญญาณธาติที่เป็นอุเบกขาสารโคตจึงเกิดขึ้นมโนวิญญาณธาติที่เป็นโสมนัสสารคตญาณสัมปยุตจึงเกิดขึ้นที่เป็นโสมนัสสารคตญาณสัมปยุตเกิดพร้อมกับสังขารที่เป็นโสมนัสสารคตญาณวิปยุตจึงเกิดขึ้นที่เป็นโสมนัสสารคตญาณวิปยุตเกิดขึ้นพร้อมสังขาร ที่เป็นอุเปกขาสหาราครตยาณสัมปยุตจึงเกิดขึ้นที่เป็นอุออเปกขาสหาราคตยาณสัมปยุตจึงเกิดขึ้นพร้อมกับสังขารที่เป็นอุเปกขาสหราคตยาณวิปยุตจึงเกิดขึ้นที่เป็นอุเปกขาสหราคตยาณวิปยุตเกิดขึ้นพร้อมกับสังขารดังนี้ส่วนรูปาวาจรวิปากวิญญาณห้าดวง มีเพราะปัจจัยคือปุญญาพิสังขารฝ่ายรูปาวจรดังพระบาลีว่าเพราะกรรมที่เป็นกุศลฝ่ายรูปาวจรนั้นนั่นแหลอันบุคคลทำไว้แล้วก่อไว้แล้วโยคาว จ, จรบุคคลสงัดจากการมทั้งหลายจนถึงเข้าถึงปฐมฌานและถึงปัจจมฌานอันเป็นวิบากอยู่ดังนี้รวมวิญญาณ2ี่สเอ็ดดวง ย่อมมีเพราะปัจจัยคือปุญญาภิสังขารชนีส่วนวิญญาณเจ็ดดวงดังนี้คือวิญญาณมีจักขรวิญญาณเป็นต้นที่เป็นอกุศลลวิบากห้ามโนวิญญาณหนึ่งมโนวิญญาณธาตุหนึ่งย่อมมีเพราะปัจจัยคืออปุญญาภิสังขารดังพระบาลีว่าเพราะกรรมเป็นอกุศล อันบุคคลทำไว้แล้วก่อไว้แล้วจากขูวิญญาณโสตะวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณอันเป็นวิบากจึงเกิดขึ้นมโนธาตุที่เป็นวิปากะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นดังนี้ส่วนวิญญาณสี่ดวงดังนี้คือ วิญญาณที่เป็นอรูปวิบากสี่ย่อมมีเพราะปัจจัยคืออเนญชาพิสังขารดังพระบาลีว่าเพราะ ก, กรรมที่เป็นกุศลฝ่ายรูปปาวจร น, นั้นนั่นแหลอันบุคคลทำไว้แล้วก่อไว้แล้วเพราะ ก, ก้าวล่วงรูปสัญญาทั้งหลายเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณอันสหรคตด้วยอากาสานัญจายตนาสัญญา วิญญาณจายตนะสัญญาอากิญญานสัญญายตนะสัญญาเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญาซึ่งเป็นวิบากอยู่เพราะละสุขละทุกข์ได้จึงเข้าจตุทธชานอยู่ดังนี้ความเป็นไปแห่งวิญญาณ วิญญาณใดยอ่อมมีเพราะปัจจัยคือสังขารได้แล้วบัด น, นี้พึงทราบประวัติความเป็นไปเรื่องราวแห่งวิญญาณ น, นั้นดังต่อไปนี้ก็วิญญาณทั้งปวงนี้แหละย่อมเป็นไปโดยส่วนสองด้วยอำนาจแห่งประวัติความเป็นไปส่วนต่อแต่ปฏิสนธิไปและส่วนตอนปฏิสนธิในสองส่วนนั้นวิญญาณสิบสามดวงนี้ คือปัญจวิญญาณสองรวมเป็นสิบมโนธาตสองอเหตุตุกะมโนวิญญาณธาตที่เป็นโสมนัสหรคตหนึ่งย่อมเป็นไปในส่วนประวัติในปัญจโวการภพเท่านั้นวิญญาณที่เหลือสิบเก้าดวงเป็นไปทั้งในส่วนประวัติทั้งในส่วนปฏิสนธิตามสมควรในสามภพคือปัญจโวการภพ จตุวการพภและเอกวการพภส่วนประวัติปุช่าว่าเป็นอย่างไรวิสัชนาว่าในอัทธกถามชิมนิกายกล่าวไว้ว่าอันดับแรกวิญญาณห้ามีจักขุวิญญาณเป็นต้นฝ่ายกุศ ล, ลวิบาก ปรารบอารมณ์มีรูปเป็นต้นที่มาปรากฏทางทวารมีจักขุทวารเป็นต้นของบุคคลผู้เกิดมาด้วยกุศ ล, ลวิบากหรือด้วยอกุศ ล, ลวิบากก็ตามที่มีอินทรีย์เข้าถึงความแก่กล้าแล้วตามลำดับเป็นอิทธารมก็ตามอิทธมัชตารมก็ตามอาศัยประสาทมีจักษุประสาทเป็นอาธิก็ยังกิจคือการเห็น การได้ยินการดมการลิ้นการสัมผัสให้สำเร็จเป็นไปวิญญาณห้าฝ่ายอากุศลวิบากก็เป็นอย่างนั้นเป็นแต่อารมณ์ของอกุศลวิบากกับวิญญาณเหล่านั้นเป็นอนิจฐามณมหรืออนิจธรรมชัชตารมสิ้นเชิงเท่านี้เองเป็นความแปลกกันจริงอยู่วิญญาณทั้งสิบนั่น ก็มีทวารอารมณ์วัตถุและฐานคงตัวและมีกิจตายตัวอยู่เท่านั้นเองต่อ น, นั้นมโนธาตุที่เป็นกุศ ล, ลวิบากในลำดับแห่งวิญญาณทั้งหลายมีจักขุวิญญาณเป็นต้นที่เป็นกุศ ล, ลวิบากปรารบอารมณ์ของวิญญาณเหล่านั้นแหละอาศัยหัตยวัตถุก็ยังสัมปติชนะกิจให้สำเร็จเป็นไป มโนธาตุฝ่ายอากุศลวิบากในลำดับแห่งอากุศลวิปากวิญญาณทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนั้นก็แต่ว่ามโนธาตุคู่นี้มีทวารและอารมณ์ไม่แน่แต่มีวัตถุและฐานคงตัวและกิจก็ตายตัวส่วนอเหตุกกุกะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นโสมนัสหระรคตในลำดับแห่งกุศลวิบากมโนธาตุ ก็ปรารพอารมณ์แห่งกุศลลวิบากมโนธาตุนั่นแหละอาศัยหัตถยะวัตถุอย่างสันติรณกิจให้สำเร็จตัดวิถีผวังในที่สุดแห่งชวนะที่สัมปยุทธ์ด้วยโลภะโดยมากแห่งเหลา่าสัตว์จําพวกกามาวจรในเมื่ออารมณ์นั้นเป็นอารมณ์มีกำลังในทวารทั้งหกเป็นไปวาระเดียวบ้างสองวาระบ้าง ด้วยอำนาจแห่งตัฐารมณะในอารมณ์ที่ชาวนะยึดไว้ดังนี้แต่ในอัฏฐกถาพระอภิธรรมวาราจิตในตัฐารมณะมาเป็นสองวาระเดียวไม่มีก็แลจิตดวงนี้มีสองชื่อคือชื่อว่าตัฐารมณะและชื่อว่าปิติภวัง คือมีผวังแอบหลังและเป็นจิตมีวาวรและอารมณ์ไม่แน่แต่มีวัตถุคงตัวมีฐานและ ก, กิจไม่ตายตัวแลวิญญาณสิบสามดวงพึงทราบว่าเป็นไปในส่วนประวัติในปัญจโวการภพเท่านั้นดังกล่าวมาชนนี้ก่อนในวิญญาณสิบเก้าที่เหลือเล่า วิญญาณอะไรอะไรไม่เป็นไปโดยปฏิสนธิกิจอันควรแก่ตนก็หามิได้แต่ในส่วนประวัติอันดับแรกอาเหตุกะโมโนวิญญาณธาตุอันเป็นกุศลละวิบากและอกุศลละวิบากทั้งสองยังกิจสี่ให้สำเร็จคือยังสันติรณากิจในลำดับแห่งกุศลอกุศลละวิบากมโนธาตุในปัญจทวารให้สาเร็จ ยังตทาธรรมนากิจในทวารหกโดยในยะที่กล่าวในตอนต้นให้สำเร็จเมื่อจิตตุ บ, บา ท, ที่เข้าไปตัดผวังไม่มีก็ยังผวังขกิจเบื้องหน้าแต่ปฏิสนธิที่ตนให้แล้วให้สาเร็จและยังจุติกิจในบั้นปลายให้สำเร็จเป็นวิญญาณธาตุที่มีวัตถุคงตัวแต่มีทวารอารมณ์ฐานและกิจไม่คงตัวเป็นไป สเสหตุกาจิตฝ่ายกรรมาวจรแปดอย่างกิจสามให้สาเร็จคื อ, อย่างตัารามนากิจในทวารหกโดยในยะที่กล่าวแล้วนั่นแหละให้สาเร็จเมื่อจิตตุบาที่เข้าไปตัดภวังไม่มีก็ยังผวังขกิจเบื้องหน้าแต่ปฏิสนธิที่ตนให้แล้วให้สาเร็จและยังจุติกิจในบั้นปลายให้สาเร็จเป็นจิตนอกนี้มีวัตถุคงตัว แต่ทวารอารมณ์ฐานและกิจไม่คงตัวเป็นไปรูปาวัาจะระวิญญาณห้าและอรูปาวัาจะระวิญญาณสี่อย่างกิจสองให้สำเร็จคือเมื่อจิตตุบบาทที่เข้าไปตัดผวังไม่มีก็ยังผวังขกิจเบื้องหน้าแต่ปฏิสนธิที่ตนให้แล้วให้สำเร็จเป็นไป และอย่างจุติกิจในบั้นปลายให้สําเร็จเป็นไปในจิตสองประเภทนั้นรูปาวจราจิตทั้งหลายมีวัตถุทวานและอารมณ์คงตัวแต่ฐานและกิจไม่คงตัวส่วนอรูปาวจราจิตทั้งหลายนอกนี้มีวัตถุคงตัวอารมณ์คงตัวแต่ฐานและกิจไม่คงตัวเป็นไปแล วิญญาณทั้งส2สองดวงยอมเป็นไปเพราะสังขารเป็นปัจจัยในส่วนประวัติดังกล่าวมาชนีก่อนสังขาร น, นั้ น, น, นเป็นปัจจัยโดยเป็นกรรมมะปัจจัยและเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่วิปากะวิญญาณส2สองดวงนั้นในประวัตินั้นส่วนปฏิสนธิ ส่วนคำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าในวิญญาณสิบเก้าที่เหลือเล่าวิญญาณอะไรอะไรไม่เป็นไปโดยปฏิสนธิกิจอันควรแก่ตนก็หาไม่ได้คำนั้นยังรู้ได้ยากเพราะเป็นคำสังเขนักเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวเพื่อแสดงวิถาระัยแห่งปฏิสนธิวิญญาณนั้นต่อไปโดยตั้งปัญหาว่า ปฏิสนธิมีกี่อย่างปฏิสนธิจิตมีเท่าไรปฏิสนธิย่อมมีในภพไหนด้วยจิตอะไรอะไรเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิคำตอบมีว่าปฏิสนธิมียี่สิบทั้งปฏิสนธิของอสัญญีสัตว์คือโดยปฏิสนธิจิตก็มีเพียงสิบเก้าแต่นับปฏิสนธิของพวกอสัญญีเข้าด้วยจึงเป็นยี่สิบ ปฏิสนธิจิตมี19ประการดังกล่าวแล้วนั่นแลในปฏิสนธิจิตสินั้นปฏิสนธิในอบายทั้งหลายย่อมมีด้วยอเหตุตุกะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นอกุศ ล, ลวิบากปฏิสนธิแห่งพวกคนบอดแต่กําเนิดคนหูหนวกแต่กําเนิดคนบ้าแต่กําเนิดคนใบแต่กําเนิดและคนกระเทยทั้งหลายในมนุษย์โลก ย่อมมีด้วยอเหตุกกะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลวิบากปฏิสนธิแห่งหล่อสัตว์ผู้มีบุญในพวกเทพชั้นกามาวจรก็ดีในพวกมนุษยก็ดีย่อมมีด้วยใส่เหตุกะกา ม, มาวาจรวิปากจิตแปดปฏิสนธิในโลกรูปประพรมย่อมมีด้วยรู ป, ปาวาจรวิบากห้า ปฏิสนธิในโลกอรู ป, ปรพรมย่อมมีด้วยอรู ป, ปาวัจระวิปากจิตสีก็แล้ปฏิสนธิย่อมมีในภพไรด้วยจิตรายดังกล่าวมาชนีปฏิสนธินั้นแหลชื่อว่าปฏิสนธิอันควรแกวิญญาณ น, นั้นส่วนอารมณ์ของปฏิสนธิมีสาม คืออติตารม์ปัจจุปันนามและนวัตตพารม์คืออารมณ์ที่ไม่ควรจะกล่าวได้ว่าเป็นอดีตหรือปัจจุบันแต่ปฏิสนธิของพวกอสัญญีเป็นอนารมร์คือไม่มีอารมณ์แลในอารมณ์สามนั้นอารมณ์ของปฏิสนธิแห่งสัตว์ชั้นวิญญาณัญจาตนะและชั้นเนวะสัญญาณาสัญญาัตนะ เป็นอติตารมอย่างเดียวแห่งสัตว์ชั้นกามาวาจรสิบเป็นอติตารมบ้างเป็นปัจจุป น, นารมบ้างแห่งสัตว์ที่เหลือเป็นนวัตตพารมแท้อันหนึ่งปฏิสนธิที่เป็นไปในอารมณ์สามอยู่ดังนี้ก็ยอมเป็นไปในลำดับแห่งจุดติจิตซึ่งมีอารมณ์เป็นอติตารมบ้าง เป็นนวัตตภารมบ้างเท่านั้นเพราะธรรมดาว่าจุติจิตเป็นปัจจุปันนารมหามีไม่เหตุใดเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงควรทราบอาการเป็นไปแห่งปฏิสนธิอันมีอารมอย่างใดอย่างหนึ่งในอารมสามในอันดับแห่งจุติซึ่งมีอารมอย่างใดอย่างหนึ่งในอารมสองด้วยอำนาจแห่งสุขติละทุกติต่อไป ข้อนี้เป็นฉันใดอันดับแรกบาปกรรมตามที่ตนสะสมไว้บ้างกรรมนิมิตบ้างย่อมมาสู่คลองในมโนทวารของบุคคลผู้ตั้งอยู่ในสุขติชั้นกามาวจรแต่เป็นคนมีบาปกรรมซึ่งเจ็บหนักนอนอยู่บนเตียงมรณะทั้งนี้โดยพระบาลีว่าในสมัยนั้นกรรมทั้งหลายที่ตนทําไว้ก่อนนั้น ย่อมเกาะอยู่ในจิตของบุคคลผู้ใกล้ตายนั้นดังนี้เป็นต้นจุติจิตทำอารมณ์แห่งผวังให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นในลำดับแห่งชวนะวิถีอันปรารบ ก, กรรมหรือกรรมอนิมิตนั้นเกิดขึ้นมีตทารรมะเป็นสุดท้ายครั้นจุดติจิตนั้นดับแล้วปฏิสนธิจิตอันกาลังแห่งกิเลส ท, ที่ยังตัดไม่ได้ ชักนำถลำเข้าไปทางทุกติก็ปรารกกรรมหรือกรรมนิมิตที่มาปรากฏมโนวทวา น, นั้นและเกิดขึ้นนี่เป็นปฏิสนธิมีอารมณ์เป็นอดีตเกิดในลำดับแห่งจุติซึ่งมีอารมณ์เป็นอดีตด้วยกันในมรณะสมัยคือเวลาใกล้จะตายทุกตินิมิต มีวันนรปแห่งเปลวเพลิงเป็นต้นในทุกติทั้งหลายมีนรกเป็นอาธิย่อมมาปรากฏในมโนทวารของบุคคลผู้มีบาป ก, กรรมอีกคนหนึ่งด้วยอำนาจแห่งกรรมมีประการดังกล่าวแล้วครั้นพวังกจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปสองวาระวิถีจิตสามดวงคืออวัชนะหนึ่งชาวนะเพียงห้าเพราะเป็นจิตมีกาลังอ่อน ด้วยความที่มรณะใกล้เข้ามาตธารัมณะสองปรารพอารมณ์นั้นเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นต่อ น, นั้นจุติจิตหนึ่งดวงทําอารมณ์ของะวังให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นขณะจิตสิบเอ็ดคือผวังสองอวัชนะหนึ่งชวนะห้าตถารัมณะสองและจุติหนึ่ง เพียงนี้นับว่าเป็นอดีตลำดับนั้นปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นในอารมณ์นั้นนั่นแหละซึ่งมีอายุชั่วห้าขณะจิตที่เหลือปฏิสนธินี้เป็นปฏิสนธิมีอารมณ์เป็นปัจจุบันในลำดับแห่งจุติซึ่งมีอารมณ์เป็นอดีตในมรณะสมัย อารมณ์3ามอันเป็นเหตุแห่งกิเลสมีราคาเป็นต้นมาสู่คลองในทวารห้าทวารใดทวารหนึ่งของบุคคลอีกคนหนึ่งชาวนะเพียงห้าเพราะเป็นจิตมีกำลังอ่อนด้วยความที่มรณะใกล้เข้ามาและตถารมณะสองเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นในที่สุดแห่งวอดทัพณะอันเกิดขึ้นตามลำดับต่อ น, นั้น จุดติดจิตหนึ่งดวงทำอารมณ์ของผวังให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นก็แลขณะจิตสิบห้าคือผวังสองอวัชชนะหนึ่งทัศนะคือเห็นหนึ่งสัมปติชนะหนึ่งสันติชนะหนึ่งวัฏพนะหนึ่งชาวณะห้าธรรมรามณะสองและจุดติจิตหนึ่งเพียงนั้นนับว่าเป็นอดีตลำดับนั้น ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นนั่นแหละซึ่งมีอายุชั่วขณะจิตหนึ่งที่เหลือแม้ปฏิสนธินี้ก็เป็นปฏิสนธิมีอารมณ์เป็นปัจจุบันเกิดในลำดับแห่งจุติซึ่งมีอารมณ์เป็นอดีตนี้เป็นอาการเป็นไปแห่งทุกขติปฏิสนธิอันมีอารมณ์เป็นอดีตบ้างปัจจุบันบ้างเกิดในลำดับแห่งสุขติจุติ ซึ่งมีอารมณ์เป็นอดีตเท่านี้ก่อนสำหรับผู้ตั้งอยู่ในทุกขติแต่มีกรรมอันไม่มีโทษได้สั่งสมไว้คำทั้งปวงบัณฑิตก็พึงทราบโดยในยักก่อนนั่นแหละโดยบรรจุคำฝ่ายขาวลงแทนในคำฝ่ายดำเช่นว่ากรรมไม่มีโทษนั้นบ้างกรรมมานิมิตบ้าง ย่อมมาปรากฏในมโนทวารเป็นต้นตามในยะก่อนเถิดนี่เป็นอาการเป็นไปแห่งสุขติและปฏิสนธิอันมีอารมณ์เป็นอดีตและปัจจุบันเกิดในลำดับแห่งทุกคติจุติซึ่งมีอารมณ์เป็นอดีตข้างฝ่ายผู้ตั้งอยู่ในสุขติมีกรรมอันไม่มีโทษได้สั่งสมไว้เจ็บหนักนอนอยู่บนเตียง มรณะกรรมไม่มีโทษตามที่ได้สั่งสมไว้บ้างกรรมนิมิตบ้างย่อมมาปรากฏในมนท ว, วารทั้งนี้โดยพระบาลีกล่าวไว้ว่าในสมัยนั้นอนวัชกรรมทั้งหลายที่ตนสั่งสมไว้ก่อนนั้นย่อมเกาะอยู่ในจิตของบุคคลผู้ใกล้ตายนั้นดังนี้เป็นต้นก็แต่ว่าข้อที่ไม่กำหนดแน่ว่า อนวัชกรรมหรือกรรมนิมิตจะมาปรากฏทางมโนทวานนั้นสำหรับผู้สั่งสมอนนวัชกรรมฝ่ายการมาวจรไว้เท่านั้นส่วนผู้สั่งสมมหักระตกรรมไว้มีต่กรร ม, มนิมิตอย่างเดียวมาปรากฏทางมโนทวานจุดติดจิตทำอารมณ์แห่งผวังให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นในลำดับแห่งชวนาวิถีมีตถารรมณะ เป็นสุดท้ายหรือชาวนาวิถีล้วนไม่มีตถารรมนะซึ่งปรารกกรรมหรือกรรมนิมิตนั้นเกิดขึ้นครั้งจุดติดจิตนั้นดับไปแล้วปฏิสนธิจิตอันกำลังแห่งกิเลสที่ยังตัดไม่ได้จักนำเข้าไปทางสุขติก็ปรารกกรรมหรือกรรมนิมิตที่มาปรากฏทางมโนวทวานนั้นแหละเกิดขึ้น นี้เป็นปฏิสนธิเป็นอติตารมบ้างเป็นนวัตภารมบ้างเกิดในลำดับแห่งจุติซึ่งมีอารมณ์เป็นอดีตบุคคลมีอนวัชนากรรมได้สั่งสมไว้อีกผู้หนึ่งในมรณะสมัยมีสุขตินิมิตได้แก่วันณรูปแห่งท้องมารดาในมนุษยโลกบ้าง ได้แก่วันรูปแห่งอุทยานวิมานและการรับประพฤกเป็นต้นในเทวโลกบ้างมาปรากฏทางในมนโนทวารด้วยอํานาจแห่งอนนวัชกรรมกามาวจรปฏิสนธิจิตเกิดแก่บุคคลนั้นในลำดับแห่งจุดติจิตตามลำดับจิตที่แสดงมาแล้วในตอนว่าด้วยทุกขตินิมิตนั่นละ่ะนี่เป็นปฏิสนธิ ที่เป็นปัจจุบันอารมณ์เกิดในลำดับแห่งจุติซึ่งเป็นอติตารมณ์อีกผู้หนึ่งในมรณะสมัยพวกญาติย่อมทำอารมณ์ในปัญจทวารบอกว่านี่เนี่ยพ่อพุทธบูชาเราทำเพื่อประโยชน์แก่ท่านท่านจงยังจิตให้เลื่อมใสเถิดดังนี้บ้าง รูปารมโดยเป็นเครื่องบูชาคือมีช่อดอกไม้และธงชัยธงแผ่นผ้าเป็นต้นสัท ธ, ธารมโดยเป็นการฟังธรรมะและการบูชาด้วยเสียงดนตรีเป็นต้นบ้างขันธารมโดยเป็นกลิ่นธูปและเครื่องอบเป็นต้นบ้างรสารมโดยเป็นเครื่องลิ้มมีน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นโดยบอกว่าแน่พ่อเชิญท่านชิมนี่ดู เป็นทยธรรมที่เราจะพึงให้เพื่อประโยชน์แก่ท่านดังนี้บ้างโพธพารมมโดยเป็นผ้ามีผ้าเมืองจีนและผ้าเมืองแขกเป็นต้นโดยบอกว่าแน่พ่อเชิญแตะนี่ดูเป็นทยธรรมที่เราจะพึงให้เพื่อประโยชน์แก่ท่านดังนี้บ้างน้อมเข้าไปให้ด้วยความที่มรณะใกล้เข้ามา ชวนะห้าและตทธารมณะสองเกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นในที่สุดแห่งวัฏพหะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะดับในอารมณ์มีรูปเป็นต้นที่มาปรากฏทางะวาะ น, นั้นเพราะภาวะที่ตนมีกําลังอ่อนต่อ น, นั้นจุติจิตดวงหนึ่งทําอารมณ์แห่งะวางนนังะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะจิตก็เกิดขึ้นในอารมณ์นะัะนะะะ ซึ่งตั้งอยู่ชั่วขณะจิตเดียวแม้ปฏิสนธินี้ก็เป็นปฏิสนธิเป็นปัจจุบันอารมณ์เกิดในลำดับแห่งจุติซึ่งเป็นอติตารมณ์ส่วนอีกผู้หนึ่งสถิตยอยู่ในสุขติสำหรับบุคคลผู้ได้มาหกตาวิบาก ด้วยอำนาจชาญมีปัทวีกสินชาญเป็นอาธิในมรณะสมัยกามาวาจรากุศลกรรมกรรมมิมิตกตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างนิมิตมีปัทวีกสินเป็นต้นหรือมหัคตาจิตมาปรากฏในมโนทวารหรือมิฉนั้นอารมณ์ประนีตอันเป็นเหตุเกิดกุศลมาปรากฏในจักุทวารหรือโสตทวารอันใดอันหนึ่ง ชวนะเพียงห้าเพราะเป็นจิตมีกำลังอ่อนด้วยความที่มรณะใกล้เข้ามาเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นในที่สุดแห่งวัฏพณะที่เกิดขึ้นตามลำดับเพราะตถาระมณะย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เข้าถึงคติมหรคตทั้งหลายเหตุนั้นจุดติดจิตดวงหนึ่งจึงทำอารมณ์แห่งภาวางให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นในลำดับแห่งชวนะนั่นเอง ในที่สุ ด, จ, ดจุติดจิตนั้นปฏิสนธิจิตมีอารมณ์ตามที่เข้ามาปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างเข้าในสุขติเป็นกามาวจรหรือมหัคตะสถานใดสถานหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นนี่เป็นปฏิสนธิเป็นอติตาอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์และนวัตตพารณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดในลำดับแห่งสุขติ จุติซึ่งเป็นนวัตภารมโดยทำนองนี้พึงทราบแม้ปฏิสนธิเกิดในลำดับแห่งอรูปปจุตินี้เป็นประวัตนาวาระแห่งปฏิสนธิเป็นอติตารมนวัตภารมปัจจุบันอารมณ์เกิดในลำดับแห่งสุขติจุติซึ่งเป็นอติตารมนวัตภารม ฝ่ายผู้มีบาปกรรมอยู่ในทุกขติในมรณะสมัยย่อมมีกรรมที่ทำไว้นั้นบ้างกรรมนิมิตบ้างคตินิมิตบ้างมาปรากฏในมโนโทวานหรือมิฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นเหตุเกิดอกุศลมาปรากฏในปัญจทวานโดยในยะที่กล่าวแล้วนั่นแหลต่อ น, นั้นในที่สุดแห่งจุติจิตตามลาดับ ปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ตกไปทางทุกคติก็เกิดขึ้นแก่เขานี่เป็นอาการเป็นไปแห่งปฏิสนธิที่เป็นอติตารมปัจจุบันอารมณ์เกิดในลำดับแห่งทุคติจุติซึ่งเป็นอติตารมลาความเป็นไปด้วยอำนาจปฏิสนธิ แห่งวิญญาณทั้งส9บก้าดวงเป็นอันแสดงเพียงเท่านี้ปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณทั้งสิ้นนี้นั้นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเป็นไปในปฏิสนธิดังกล่ามานั้นย่อมเป็นไปด้วยกรรมสองนแผนกและมีประเภทต่างๆ เช่นประเภทสองเป็นต้นโดยประเภททั้งหลายมีประเภทผสมเป็นอาทิขยายความแท้จริงวิปากวิญญาณทั้ง19ดวงนี้เมื่อเป็นไปในปฏิสนธิย่อมเป็นไปด้วยกรรมสองแผนกด้วยกันด้วยว่าชนกกรรมย่อมเป็นปัจจัย โดยเป็นกรรมปัจจัยอันเป็นไปในขณะต่างๆกันหนึ่งโดยเป็นอุปนิสยปปจจัยหนึ่งแก่วิปากะวิญญาณนั้นตามที่เป็นของตนสมคำพระบาลีว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นปัจจัยโดยเป็นอุปนิสยปปจจัยแก่วิบากดังนี้อนหนึ่ง พึงซาประเภทมีประเภทสองเป็นต้นโดยประเภททั้งหลายมีประเภทผสมกันเป็นอาธิแห่งวิปากวิญญาณนั้นซึ่งเป็นไปอยู่อย่างนี้คือแท้จริงวิปากวิญญาณนี้แม้เป็นไปอยู่อย่างเดียวด้วยอำนาจปฏิสนธิแต่เป็นสองโดยแยกเป็นประเภทผสมกับรูปและประเภทไม่ผสมกับรูป เป็นสามโดยแยกเป็นกรรมภพรูปภพและอรูปภพเป็นสี่โดยกำเนิดอันทชาชลาพุชชาสังเสทะชาและอบปฏิกะเป็นห้าโดยคติเป็น 5, เจ็ดโดยวิญญาณทิติเป็นแปดโดยสักตาวาด วิญญาณผสมในวิญญาณผสมและไม่ผสมนั้นวิญญาณผสมเป็นสองดยต่างแห่งภาวะและในภาวะประเภทนั้นเล่าวิญญาณที่มีภาวะก็เป็นสองในวงเล็บรูปกลาลปะทสะกะสองหรือสามบ้างเป็นอย่างต่ำย่อมเกิดพร้อมกับวิญญาณประเภทต้นคือวิญญาณผสม ขยายความข้อว่าวิญญาณผสมเป็นสองด้วยต่างแห่งภาวะนั้นความว่าก็ในวิญญาณผสมและไม่ผสมนี้ปฏิสนธิวิญญาณที่ผสมกับรูปนั้นใดเกิดขึ้นในภพเว้นแต่อรูปประภพปฏิสนธิวิญญาณผสมนั้นย่อมมีเป็นสองคือมีภาวะหนึ่งไม่มีภาวะหนึ่ง เพราะเกิดขึ้นเว้นจากภาวะกล่าวคืออิตถินสีและปุริสินสีในรูปภพและเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะในกามภพเว้นแต่ปฏิสนธิของคนกระเทยโดยกาเนิดข้อว่าและในภาวะประเภทนั้นเล่าวิญญาณที่มีภาวะก็เป็นสองอธิบายและแม้ในภาวะประเภทนั้นเล่า ปฏิสนธิวิญญาณใดมีภาวะปฏิสนธิวิญญาณนั้นก็เป็นสองเหมือนกันเพราะเกิดขึ้นพร้อมกับอิทธิภาวะหรือปุริสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งข้อว่ารูปกะลาปะสองหรือสามเป็นอย่างต่ายอมเกิดพร้อมกับวิญญาณประเภทต้นมีอธิบายว่าก็รูปกะลาปะ ทัศกะสองโดยเป็นวัตถุทัศกะลและกายทัศกะหรือทัศกะสามโดยเป็นวัตถุทัศกะกายทัศกะลและภาวะทัศกะบ้างเป็นอย่างต่ายอมเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณที่ผสมกับรูปอันเป็นประเภทต้นในสองประเภทคือผสมและไม่ผสมนั้นรูปกาลาปะ ลดลงไปยิ่งกว่านี้ไม่มีก็แลปฏิสนทีวิญญาณที่มีปริมาณรูปกาลาปะตามดังกล่าวนี้นั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดเป็นสิ่งที่ได้ชื่อว่ากาละละอันมีประมาณเท่าหยดหัวเนยใสที่ใช้ขนแกะเส้นหนึ่งจุ่มยกขึ้นในกำเนิดสองที่มีชื่อว่าอันทชะและฉลาพุทชะในกำเนิดและคติเหล่านั้น บันดิตพึงทราบความมีขึ้นแห่งกำเนิดทั้งหลายที่แตกต่างกันด้วยอำนาจคติดังต่อไปนี้ก็ในกำเนิดทั้งหลายนั้นกำเนิดสามข้างต้นย่อมไม่มีนนรกและในพวกเทพเว้นภู ม, มิเทพกำเนิดทั้งสี่ย่อมมีในคติสามขยายความ ในบทเหล่านั้นด้วยจะสับในบทว่าเทเวสุจะกำเนิดสามขั้งต้นพึงทราบว่าไม่มีนนรกและในพวกเทพเว้นภู ม, มิเทพฉันใดก็ยอมไม่มีในพวกนิชามตันหิกเปร็ดด้วยฉันนั้นเพราะพวกนิชามตันหิกเปร็ดนั้นก็เป็นอบปฏิกะเหมือนกัน ส่วนในคติสามที่เหลืออันได้แก่ดิรัชานเปรตวิสัยมนุษย์และในพวกภูมเทพที่เว้นไว้ก่อนด้วยย่อมมีกำเนิดครบทั้งสี่รูปกลาปะในคติและกำเนิดเหล่านั้นรูปสามสิบและเก้าย่อมเกิดในพวกรูปภพรมอนหนึ่ง โดยกำหนดอย่างสูงรูปเจ็ดสิบย่อมเกิดในสัตว์จำพวกที่เกิดในกำเนิดสังเสทฐชะและอบปฏิกะอีกอย่างหนึ่งโดยกำเนิดอย่างต่ารูปสามสิบย่อมเกิดขยายความอันดับแรกรูปสามสิบละเก้าด้วยอำนาจแห่งกลาปะสี คือจกขุดทัศกะโสตทัศกะวัตถุทัศกะและชีวิตะนวกะย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณในเหลา่าสัตว์ผู้กำเนิดเป็นอบปฏิกะในจำพวกรูปประพรมส่วนว่าโดยกำหนดอย่างสูงรูปเจ็ดสิบด้วยอำนาจแห่งกาลาปะเจ็คือจกขุดทัศกะโสตทัศกะคานทัศกะ ชิวหาทัศกะกายะทัศกะวัตถุทัศกะและภาวะทัศกะย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยปฏิสนธิวิญญาณในเหล่าสัตว์ที่เกิดในกำเนิดสังเสทะชาและอบปฏิกะจำพวกอื่นเว้นจำพวกรูปประพรมอันหนึ่งรูปทั้งเจ็ดสิบนั้นย่อมเกิดขึ้นในจำพวกเทพเป็นนิด ในทัศกะเหล่านั้นกลุ่มรูปมีปริมาณรูปสิบนี้คือสีกลิ่นรสโอชาอีกธาตุสีจากขุประสาสและชีวิตชื่อว่าจากขุทัศกะรวมเป็นสิบทั้งจากสุทัศกะที่เหลือก็พึงทราบโดยในยะดังนี้ส่วนว่าโดยอย่างต่ำรูปสามสิบ ด้วยอำนาจแห่งกาลาปะสามคือชิวหาทัศกะกายทัศกะและวัตถุทัศกะย่อมเกิดขึ้นแก่คนตาบอดแต่กำเนิดคนหูหนวกแต่กำเนิดคนจมูกด้วนแต่กำเนิดข้อนี้หมายถึงไม่มีคณะประสาทไม่สามารถรับรู้กลิ่นได้และคนกระเทยแต่กำเนิดอันหนึ่งพึงทราบการกำหนดรูปกาลาปะ ในระหว่างปริมาณรูปอย่างสูงและรูปอย่างต่ำคือในระหว่างรูปเจ็ดสิบและสามสิบตามควรเถิดจุติปฏิสนธิแปลกครั้นทราบอย่างนี้แล้วผึงกำหนดรู้ความแปลกแห่งความแตกต่างและไม่แตกต่างแห่งจุดติ ลาปฏิสนธิโดยขันอารมณ์คติเหตุเวทนาปีติวิตกและวิจารต่อไปอีกขยายความความแห่งคถานั้นว่าก็ปฏิสนธิสองอย่างโดยเป็นปฏิสนธิผสมและปฏิสนธิไม่ผสมนั่นใดและจุดติอันมีในลำดับที่เป็นอดีตแห่งปฏิสนธินั่นใด ถึงทราบความแปลกแห่งความแตกต่างและไม่แตกต่างแห่งปฏิสนธิและจุตินั้นโดยขันเป็นต้นเหล่านี้แปลกอย่างไรก็บางทีปฏิสนธิอันมีขันสีไม่แตกต่าง ก, กันกับจุติแม้โดยอารมณ์มีขึ้นในลำดับแห่งอรูปประจุติที่มีขันสีเหมือนกันก็มี บางทีปฏิสนธิมีอารมณ์เป็นมหัคตะและเป็นภายในมีขึ้นในลำดับแห่งจุดติที่มีอารมณ์ไม่เป็นมหคตะและเป็นภายนอกก็มีนี่เป็นในยะในพวกอรู ป, ปรภูมิเท่านั้นก่อนอันหนึ่งบางทีกามาวาจะระปฏิสนธิอันมีขันครบห้ามีในลำดับแห่งอรู ป, ปรจุดติที่มีขันสี่ คือจุติจากอารูปภูมิมาปฏิสนธิในกามาวจรภูมิก็มีบางทีอรูปปฏิสนธิก็มีขันสี่มีในลําดับแห่งกามาวจรจุติอันมีขันห้าบ้างแห่งรู ป, ปาวจรจุติบ้างคือจุติจากกามาวจรภูมิบ้างรูปาวจรภูมิบ้างไปปฏิสนธิ ในอารูปประภูมิก็มีอย่างนี้เป็นปฏิสนธิมีอารมณ์เป็นปัจจุบันมีในลำดับแห่งจุติมีอารมณ์เป็นอดีตทุกขติปฏิสนธิบางอย่างมีในลำดับแห่งสุขติจุติบางอย่างเช่นคนบางคนตายไปเกิดเป็นสัตว์บางชนิดก็มีเหตุ ก, กะปฏิสนธิ มีในลำดับแห่งอเหตุุกะจุติติเหตุุกะปฏิสนธิมีในลำดับแห่งทุเหตุุกะจุติก็มีปฏิสนธิเป็นโสมนัสสหรคตมีในลำดับแห่งจุติเป็นอุเปกขาสหรคตก็มีปฏิสนธิประกอบด้วยปีติมีในลำดับแห่งจุติที่ไม่ประกอบด้วยปีติก็มี ปฏิสนธิมีวิตกมีในลำดับแห่งจุติที่ไม่มีวิตกปฏิสนธิมีวิจารณ์มีในลำดับแห่งจุติไม่มีวิจารณปฏิสนธิที่มีทั้งวิตกวิจารณมีในลำดับแห่งจุติที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีแล อันหนึ่งพึงประกอบคำเข้าตามที่ควรประกอบได้โดยคำตรงกันข้ามแห่งบทนั้นนั้นเถิดโดยปารมัตอันว่าวิญญาณที่ได้ปัจจัยดังกล่าวมาชนี้นั่นก็เป็นแต่ธรรมะเข้าถึงพบอื่นความเคลื่อนมาแต่พบนั้นของมันก็ไม่มี แต่ว่าเว้นเหตุแต่พบนั้นเสียก็ไม่มีขยายความก็วิญญาณที่ได้ปัจจัยดังกล่าวมาชนี้นั่นก็เป็นแต่เพียงรูปธรรมและอรูปธรรมเมื่อเกิดขึ้นก็มีโวหารเรียกว่าเข้าถึงพบอื่นมีช่สัตว์มีช่ชีวะอีกทั้งความเคลื่อนจากอดีตพบ มาในภพนี้ของมันก็ไม่มีแต่ว่าเว้นเหตุแต่อดีตภพนั้นเสียความปรากฏขึ้นในภพนี้ของมันก็ไม่มีข้าพเจ้าทั้งหลายจากประกาศความเป็นไปแห่งวิญญาณดังกล่าวนี้นั้นโดยทางสื่อปฏิสนธิจากจุติแห่งมนุษย์ซึ่งเห็นได้ชัดก็ในอดีตภพ เมื่อบุคคลผู้จวนจะตายเพราะความสิ้นไปเองหรือเพราะการกระทำร้ายก็ตามไม่อาจทนความรุมเอาแห่งสัตราหรือมารณติกะเวทนาคือความเจ็บชนิดถึงตายทั้งหลายซึ่งเชื่อเฉือนเส้นเอ็นทุวอวัยวะใหญ่น้อยเหลือที่จะทนครั้นร่างกายซูบซีดไปโดยลำดับดุดใบตานสดที่เขาวางไว้ในแดดค่อยเหี่ยวแห้งไปฉะนั้น รั้นอินทรียทั้งหลายมีจักขู่เป็นต้นดับกายอินทรียมณินทรียและชีวิตอินทรีย์คงเหลืออยู่แต่ในหัตยวัตถุวิญญาณซึ่งอาศัยหัตยวัตถุเท่าที่เหลืออยู่ในขณะนั้นก็ปรากฏเอาคารุ ก, กรรมคือกรรมหนักสมาเสวิตกากรรมกรรมที่ทำเนืองๆ อ, อาสันนกรรมกรรมที่ทำเมื่อใกล้ตายอุเพกะตากรรม กรรมที่ทําไว้แต่ปางก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้แก่สังขารอันได้ปัจจัยที่เหลือมีอวิชชาเป็นต้นแล้วหรือปรารบเอาวิสัยคือวันณรุปารมซึ่งได้แก่กรรมนิมิตคตินิมิตอันเข้าไปปรากฏแก่วิญญาณนั้นเป็นไปตัณหาในวิสัยนั้นอันมีโทษที่อวิชชาปกปิดไว เพราะยังละตันหาอาวิชชาไม่ได้ก็ชักเอาวิญญาณที่เป็นไปอยู่อย่างนี้นั้นไปสังขารคือเจตนาที่เกิดร่วมกันก็ช่วยซัดวิญญาณ น, นั้นไปวิญญาณที่ถูกตันหาซัดไปถูกสังขารทั้งหลายซัดไปด้วยอำนาจแห่งสันตติอยู่นั้นก็ละทิ้งที่อาศัยคือหทัยวัตถุเดิมด้วย ได้ที่อาศัยใหม่อันกรรมสร้างขึ้นบ้างไม่ได้บ้างเป็นไปด้วยปัจจัยทั้งหลายมีอารมณ์เป็นต้นเท่านั้นด้วยดุดคนหน่วงเชือกซึ่งผูกต้นไม้ที่ฝั่งในไว้ข้ามคลองไปฉะนั้นแหลก็แลในวิญญาณที่เป็นไปนี้วิญญาณดวงก่อนเรียกว่าจุติวิญญาณเพราะเคลื่อนไป ดวงหลังเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเพราะสืบต่อมาแต่เบื้องต้นแห่งพบอื่นอันว่าวิญญาณนี้นั้นบัณฑิตพึงทราบถืดว่ามันมานัพบนี้จากพบก่อนหาไม่ได้อีกทั้งเว้นเหตุมีกรรมสังขารตันหาผู้ชักและวิสัยเป็นต้นจากพบก่อนนั้นเสียมันก็ปรากฏมีขึ้นหาได้ไม่ นิทัศนะจุติปฏิสนธิธรรมะทั้งหลายมีเสียงสะท้อนเป็นต้นพึงเป็นนิทัศนะในข้อนี้ได้อันหนึ่งเพราะความเนื่องกันในสันดานคือการสืบต่อความเป็นอันเดียวกันจึงไม่มีทั้งความต่างกันก็ไม่มีด้วยขยายความ แท้จริงธรรมทั้งหลายมีประการคือเสียงสะท้อนประทีปตราและรูปสะท้อนคือเงาพึงเป็นนิทัศนะในข้อนี้คือในความมิได้มาณนะพบนี้แต่พบก่อนและในความเกิดขึ้นด้วยเหตุที่เนื่องมาแต่พบอดีตแห่งวิญญาณ น, นั้นเหมือนอย่างว่าเสียงสะท้อนประทีปตราและเงาย่อมมี เสียงเป็นต้นเป็นเหตุจึงมีเว้นเสียงเป็นต้นเสียก็หาไปไม่ได้ชันใดจิตนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งในข้อนี้เพราะความเนื่องกันในสันดานคือการสืบต่อความเป็นอันเดียวกันจึงไม่มีทั้งความต่างกันก็ไม่มีด้วยจริงอยู่ ผิว่าเมื่อความเนื่องกันในสันดานคือการสืบต่อมีอยู่ความเป็นอันเดียวกันยังเด็ดขาดจะพึงมีไซนมส้มก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเกิดมาแต่นมสดน่ะสิแม้ความต่างกันยังเด็ดขาดจะพึงมีเล่านมส้มก็ไม่ใช่เป็นสิ่งอาศัยนมสดน่ะสิในยากการประกอบความในสิ่งที่เป็นเหตุและที่เกิดแต่เหตุคือผลทั้งปวง ก็ในยะนี้เพราะเมื่อเป็นอย่างนั้นคือเมื่อถือว่าเหตุกับผลเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันเป็นคนละอันเด็ดขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนั้นการลบล้างโวหารของโลกทั้งปวงก็จะมีขึ้นแต่การลบล้างโวหารของโลกนั้นบัณฑิตไม่ปรารถนาเพราะเหตุนั้นความเป็นอันเดียวกันหรือว่าความต่างกันเด็ดขาด ในสิ่งที่เป็นเหตุและผลอันเนื่องกันในสันดานทั้งหลายนี้บัณฑิตจึงไม่ควรคล้องแวะแลคือยาใส่ใจคำท้วงในข้อนี้มีโจทกกาจารผู้ท้วงกล่าวว่าเมื่อมีความปรากฏเกิดขึ้นแห่งวิญญาณโดยมิได้เลื่อนมาแต่พบก่อนอย่างนั้น เพราะขันทั้งหลายที่มีอยู่ในอัตภาพมนุษย์นี้ดับไปเพราะกรรมที่เป็นปัจจัยแห่งผลไม่ไปในที่เกิดขึ้นแห่งผลนั้นผลนั้นก็มิไปมีแก่ผู้อื่นและต ก, กรรมอื่นหรืออันหนึ่งเมื่อผู้เสวยผลไม่มีผลนั้นจะพึงมีแก่ใครเล่าเพราะเหตุนั้นวิธานคือกฎเกณฑ์อันนี้ไม่มีหรอกในคำท้วงนั้น ข้าพเจ้าจะเฉลยต่อไปนี้สันดานผลแห่งกรรมที่มีในสันดานคือการสืบต่ออันหนึ่งหาไปมีแก่ผู้อื่นไม่และหามีแต่กรรมอื่นไม่อภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งแห่งพืชทั้งหลายเป็นสาทกแห่งความข้อนี้ได้ขยายความ แท้จริงผลแห่งกรรมเมื่อเกิดขึ้นในสันดานอันหนึ่งถึงแม้เพราะความเป็นอันเดียวกันและความต่างกันเด็ดขาดในสันดานอันหนึ่งนั้นถูกปฏิสนธิก็หากลายเป็นว่าไปเกิดแก่ผู้อื่นหรือว่าเกิดแต่กรรมอื่นไปไม่ก็พิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งแห่งพืชทั้งหลายเป็นสาทกความแห่งคํานี้ได้จริงอยู่ เมื่ออภิสังขารทั้งหลายแห่งพืชทั้งหลายมีพืชมะม่วงเป็นต้นอันธรรมชาติทำให้แล้วผลต่างๆเมื่อเกิดขึ้นในการอื่นคือภายหลังเพราะได้ปัจจัยในสันดานแห่งพืชนั้นก็หาใช่เกิดขึ้นแก่พืชอื่นอื่นไม่ทั้งหาใช่เกิดเพราะปัจจัยคืออภิสังขารอื่นไม่แต่ว่าพืชเหล่านั้นหรืออภิสังขารทั้งหลายก็หาไปถึงที่เกิดผลไม่ ข้ออุปมาบัณนิตก็พึงทราบฉันนั้นอันหนึ่งความข้อนี้พึงทราบแม้โดยวิทยาศิลปะและโอสถเป็นต้นที่บุคคลประกอบเข้าไว้ในตัวเด็กแล้วไปให้ผลในตัวคนนั้นที่เติบโตขึ้นเป็นต้นในการอื่นภายหลังก็ได้ แม้คำใดที่โจทย์กาจาร์กล่าวว่าอันหนึ่งเมื่อผู้เสวยผลไม่มีผลนั้นจะพึ่งมีแก่ใครเล่าดังนี้ข้าพระเจ้าจะเฉลยในคานั้นต่อไปผู้เสวยความสมมุติว่ามีผู้เสวยย่อมเป็นอันสําเร็จได้ด้วยความเกิดขึ้นแห่งผลเปรียบเหมือนความสมมุติว่า มีผลเป็นอันสําเร็จได้ด้วยความเกิดขึ้นแห่งผลของต้นไม้ชนนี้ขยายความเหมือนอย่างว่าต้นไม้จะเรียกว่ามีผลหรือว่ามเมล็ดผลก็ตามก็โดยความเกิดขึ้นแห่งผลลไม้อันเป็นส่วนหนึ่งแห่งธรรมะทั้งหลายที่เรียกว่าต้นไม้นั่นเองฉันใดเทวดาวหรือมนุษย์ก็ดีจะเรียกว่าได้สวยผล หรือจะเรียกว่าผู้ได้รับความสุขผู้ได้รับความทุกข์ก็ตามก็ด้วยความเกิดขึ้นแห่งผลคือสุขทุกข์ซึ่งนับเป็นอุปโภคคือของสวยเป็นส่วนหนึ่งแห่งขันทั้งหลายที่เรียกว่าเทวดาและมนุษย์ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นความหมายอะไระไรด้วยผู้สวยอื่นนอกไปจากขันในข้อว่าด้วยผู้สวยผลนี้ หามีไม่แหละแม้โจทกกาจารย์ผู้ใดพึงกล่าวว่าแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นสังขารเหล่านั้นเมื่อมีอยู่จึงเป็นปัจจัยแห่งผลหรือหรือว่าไม่มีอยู่ก็เป็นปัจจัยแห่งผลได้เล่าก็ถ้ามีอยู่จึงเป็นปัจจัยได้ไซวิบากของมันก็จะพึงมีแต่ในประวัติขณะ คือในขณะที่สังขารเป็นไปอยู่เท่านั้นถ้าแม้นไม่มีมันก็เป็นปัจจัยได้เล่ามันก็จะพึงนำผลมาให้ได้เป็นนิดไปทั้งในขณะก่อนประวัติคือในขณะทมกรรมทั้งภายหลังประวัติคือเมื่อให้ผลสำเร็จแล้วล่ะสิดังนี้โจธกาจา์ผู้นั้นพึงได้รับเฉลยดังนี้ ความเป็นปัจจัยแห่งสังขารสังขารทั้งหลายนั้นเป็นปัจจัยแห่งผลเพราะทาผลขึ้นแต่มันนำผลมาให้เป็นนิธหามิได้กิริยามีการประกันเป็นต้นพึงทราบว่าเป็นนิทัศนะในข้อนั้นได้ขยายความแท้จริงสังขารทั้งหลาย ย่อมเป็นปัจจัยแห่งผลของตนเพราะทาผลขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เพราะมันมีอยู่หรือมันไม่มีดังพระบาลีว่าจากขูวิญญาณนั้นเป็นวิบากย่อมเป็นสิ่งเกิดขึ้นเพราะกุศลกรรมฝ่ายกามาวจรทําขึ้นก่อขึ้นดังนี้เป็นอาทิและมันเป็นปัจจัยแห่งผลของตนตามที่ควรแล้ว ก็ไม่เป็นปัจจัยนำผลมาให้อีกเพราะมันมีวิบากสุขแล้วคือให้ผลเสร็จแล้วกิวริยามีการประกันเป็นต้นดังจะกล่าวต่อไปนี้พึงทราบว่าเป็นนิทัศนะในการอธิบายความข้อนั้นได้เหมือนอย่างในทางโลกคนผู้ใดเป็นนายประกันเพื่อส่งผลประโยชน์อะไรอะไรให้เจ้าทรัพย์หรือซื้อของก็ตามกูนีก็ตาม ก็เพียงแต่การทำกิริยานั้นคือประกันหรือซื้อหรือกู้แห่งคนผู้นั้นเท่านั้นเป็นปัจจัยในการส่งผลประโยชน์เป็นต้นหาใช่ความมีอยู่หรือไม่มีแห่งกิริยาเป็นปัจจัยไม่และเบื้องหน้าแต่ส่งผลประโยชน์ให้แล้วเป็นต้นไปเขาก็ไม่เป็นลูกหนี้อีกเลยเพราะอะไรเพราะการส่งผลประโยชน์ให้เป็นต้น เขาได้ทำแล้วฉันใดแม้สังขารทั้งหลายก็เป็นปัจจัยแห่งผลของตนเพราะทำผลขึ้นเท่านั้นและเบื้องหน้าแต่ให้ผลตามที่ควรแล้วไปมันก็ไม่เป็นปัจจัยนำผลมาให้อีกต่อไปฉันนั้นแหลความเป็นไปแห่งปฏิสนธิวิญญาณอันเป็นไปทั้งสองส่วน โดยเป็นวิญญาณผสมและไม่ผสมเพราะปัจจัยคือสังขารเป็นอันแสดงแล้วด้วยนิเทศกถาเพียงเท่านี้สังขารเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณบัดนี้เพื่อกำจัดเสียซึ่งความเลือนหลงในวิปากวิญญาณ32ทั้งหมดนั่น บัณฑิตพึงเข้าใจสังขารทั้งหลายนั่นว่าเป็นปัจจัยแห่งวิปากวิญญาเหล่าไรและอย่างไรในแหล่งเกิดทั้งหลายมีพบเป็นต้นด้วยอำนาจคือหลักบังคับแห่งปฏิสนธิและประวัติขยายความความในคาถานั้นว่าแหล่งเกิดเหล่านี้คือพบสามกำเนดสี่คติสาม วิญญาณที่ตีเจ็ดและสัตวาวาดเก้าชื่อว่าแหล่งเกิดพบเป็นต้นสังขารทั้งหลายนั้นยอมเป็นปัจจัยแห่งวิปากวิญญาณเหล่าไรในตอนปฏิสนธิและในประวัติการในแหล่งเกิดทั้งหลายมีพบเป็นต้นเหล่านั้นและมันเป็นปัจจัยด้วยประการใดบัณฑิตพึงทราบด้วยประการนั้นเถิด พันน า, นาความในสังขารทั้งหลายนั้นพันน า, นาในปุญญาพิสังขารก่อนปุญญาพิสังขารประเภทกุศลเจตนาแปดฝ่ายกามาวจรว่าโดยไม่แยกประเภทกันย่อมเป็นปัจจัยโดยส่วนสองคือโดยเป็นกรร ม, มปัจจัยในขณะต่างๆด้วยโดยเป็นอุปนิสยปัจจัยด้วยแห่งวิปากวิญญาณเก้า ในสุคติกามะพบในปฏิสนธิในวงเล็บการการในที่นี้สะกดด้วยลอหลิงนะครับปุญญาพิสังขารประเภทกุศลละเจตนาห้าฝ่ายรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่วิปากวิญญาณห้าแม้ในรูปประพบเฉพาะในปฏิสนธิอันหนึ่ง ปัญญาพิสังขารฝ่ายกามาวจรมีประเภทดังกล่าวเป็นปัจจัยโดยส่วนสองตามนัยยะที่กล่าวนั่นแหละแห่งวิปากะวิญญาณกามาภูมิเจ็ดเว้นอเหตุุกะมโนวิญญาณธาตุที่สหะรคตกับอุเบขาในสุขติกามภพในประวัติการไม่เป็นปัจจัยในปฏิสนธิปุญญาพิสังขารประเภทที่กล่าวนั่นแหละเป็นปัจจัยโดยส่วนสอง อย่างนั้นเหมือนกันแห่งวิปากะวิญญาณห้าในรูปภปพในประวัติการไม่เป็นปัจจัยในปฏิสนธิส่วนในทุกขติกามภพปุญญาพิสังขารฝ่ายกามวจรที่กล่าวนั้นเป็นปจัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั้นเหมือนกันแห่งวิปากะวิญญาณกรรมภูมิทั้งแปดในประวัติการได้แต่ไม่เป็นปัจจัยในปฏิสนธิ ในทุกติกามภพนั้นในนรกปุญญาพิสังขารฝ่ายกามาวจร น, นั้นก็เป็นปัจจัยในการประสบอิทถารมได้ในกล่าวต่างๆเช่นกร่าวจาริกคือเยี่ยมนรกแห่งพระมหาโมคลานเถระเป็นต้นอันหนึ่งอิทธารมณ์ย่อมมีได้ในพวกสัตว์เดรัจฉานและในพวกเปรตที่มีฤทธิ์มากด้วยเหมือนกันปุญญาพิสังขารฝ่ายกามาวจร น, นั้นแหละ เป็นปัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั้นเหมือนกันแห่งวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากทั้ง16ในสุขติกามภพทั้งในประวัติการทั้งในปฏิสนธิแต่ว่าโดยไม่แยกกันคือรวมการมวจรและรูปกรรวาจรเข้าด้วยกันปุญญาพิสังขารเป็นปัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั้นเหมือนกันแห่งวิปากวิญญาณสิบในรูปภพทั้งในประวัติการ และในปฏิสนธิด้วยอปุญญาพิสังขารประเภทอกุศลเจตนาสิบสองเป็นปจัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั้นนั่นแหละแห่งวิญญาณดวงหนึ่งคือปฏิสนธิวิญญาณในทุกติกามภพในปฏิสนธิไม่เป็นในประวัติการเป็นปัจจัย แกอากุศลวิปากะวิญญาณหกในประวัติการไม่เป็นในปฏิสนธิเป็นปัจจัยแกอากุศลวิปากะวิญญาณทั้งเจ็ดทั้งในประวัติการและในปฏิสนธิส่ว น, นสุขติกามาพอปุญญาพิสังขารก็เป็นปัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั่นแหละแกะอากุศลวิปากะวิญญาณทั้งเจ็ดนั้นในประวัติการได้เหมือนกัน แต่ไม่เป็นในปฏิสนธิในรูปประพบมันก็เป็นปัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั่นแหละแห่งวิปากะวิญญาณสีในประวัติการแต่ไม่เป็นในปฏิสนธิก็แต่ว่าความที่อปุญญาพิสังขารเป็นปัจจัยในรูปประพบนั้นเป็นโดยเห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนา และได้ยินเสียงที่ไม่น่าปรารถนาในการมาวะจรอพบเพราะว่าในโพรหมโลกอันสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งหลายมีรูปที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นหามีไม่แม้ในการมะวะจรเทวโลกก็อย่างนั้นส่วนอเนชาพิสังขารเป็นปัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั้นเหมือนกันแห่งวิปากวิญญาณสี ในอรูปภพทั้งในประวัติการและในปฏิสนธิการสังขารเหล่านั้นเป็นปัจจัยแก่วิปากวิญญาณเหล่าใดด้วยอำนาจแห่งปฏิสนธิและประวัติในภพทั้งหลายและมันเป็นปัจจัยด้วยประการใดพึงทราบด้วยประการนั้นดังกล่าวมาชนิ้ก่อนแมในกาเนิดเป็นต้นก็พึงทราบโดยนัยนั้นเหมือนกัน ต่อไปนี้เป็นคําชี้แจงข้อสำคัญในกําเนิดเป็นต้นนั้นต่อไปก็เพราะว่าในสังขารทั้งหลายนั้นอันดับแรกปุญญาพิสังขารให้ปฏิสนธิในภพสองคือกามาภพและรูปภพแล้วอย่างวิบากของตนทั้งปวงให้เกิดอย่างใดก็ให้ปฏิสนธิในกาเนิดสี่มีอันทชะเป็นต้น ในคติสองกล่าวคือเทวดาและมนุษย์ในวิญญาณทิฏฐิสี่ได้แก่ น, นานตกายะนานตสัญญีคือสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันนานตกายะเอกตสัญญีสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันเอกตกายะนานตสัญญีสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกัน เอกตากายเอกตัสัญญีสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันและในสัตวาวาสเพียงสี่เพราะว่าในอสัญญีสัตตาวาสปุญญาภิสังขานั้นปรุงแต่งแต่รูปอย่างเดียวเท่านั้นแล้วยังวิบากของตนทั้งปวงให้เกิดอย่างเดียวกันนั้นเพราะเหตุนั้นปุญญาภิสังขานั้นจึงเป็นปัจจัยโดยในยะที่กล่าวแล้ว คือเป็นนานาคณิกะกรรมปัจจัยและอุปนิสยาปัจจัยนั่นแหลแห่งวิปากวิญญาณ21สิบเอ็ดในภพสองกําเนศสี่คติสองวิญญาณธิติสี่และสัตตาวาสีเหล่านั้นทั้งในปฏิสนธิและในประวัติการตามที่มันเป็นส่วนอปุญญาพิสังขรย่อมให้ผลโดยให้ปฏิสนธิในการมาพบ พบเดียวกันเท่านั้นในกําเนิดสีนอกนั้นก็ในคติสามในวิญญาณอทิตย์เดียวคือนานัตกายะเอกะตะสัญญีและในสัตวาวาสก็เช่นนั้นเหมือนกันเหตุใดเพราะเหตุนั้นอปุญญาภิสังขา น, นั้นจึงเป็นปัจจัยโดยในยะที่กล่าวแล้วนั้นเหมือนกับแห่งวิปากวิญญาณเจ็ดในพบเดียวในกําเนิดสีในคติสาม ในวิญญาณทิติเดียวและในสัตตาวาสเดียวทั้งในปฏิสนธิและในประวัติการส่วนอนเนนชาพิสังขารให้ผลโดยให้ปฏิสนธิในอรูปภพพบเดียวเท่านั้นในกำเนิดอบปติกะกำเนิดเดียวในเทวคติคติเดียวในวิญญาณทิติสาม มีชั้นอากาศสานัญจายตนะเป็นต้นเหตุใดเพราะเหตุนั้นอเนนชาพิสังขา น, นั่นจึงเป็นปัจจัยโดยในยะที่กล่าวแล้วเหมือนกันแห่งวิญญาณสีในพบเดียวกำเนิดเดียวคติเดียววิญญาณทิฏฐิสามสัตตาวาสีทั้งในปฏิสนธิและในประวัติการแลบัณฑิตพึงเข้าใจสังขานทั้งหลายนั่น ว่าเป็นปัจจัยแก่วิปากะวิญญาณเหล่าไรและอย่างไรในแหล่งเกิดทั้งหลายมีพบเป็นต้นด้วยอำนาจคือหลักบังคับแห่งปฏิสนธิและภะวติโดยนิยัดดังกล่าวมาชนีเทินนี้เป็นคะถาอย่างพิสดารในมดว่าสังคาราปัจยาวิญญาณัง